อ่ะเปรียบภาวนากันประมาณเวลาโดยประมาณจากนี้นะเอาความรู้จากการเทศเมื่อเช้าว่าให้มันทรงตัวเองเป็นธรรมชาติอย่าไปทรงกับคำว่าเรากับว่าของเรา ให้รู้จักตัวเองในฐานะที่เป็นธรรมชาติของกายธรรมชาติของใจแม้แต่ชื่อนามสกุลก็ไม่ต้องใส่ใจเพราะมันถูกสมมุติขึ้นหลังจากมีกายมีใจเพราะฉะนั้นอเอาแค่ธรรมชาติที่เป็นกายธรรมชาติที่เป็นใจรวมเป็นชีวิตแล้วน้อมรำลึกถึงพระพุทธจเจ้า ว่าพระองค์เป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้สูงส่งถึงสุดทรงเป็นผู้ค้นพบแล้วเป็นผู้บอกทางอันประเสริฐอันนี้ให้แก่เราเราผู้เป็นเสมือนผู้หลงทางเดินอยู่ในที่มืดเต็มอยู่ด้วยหลุมโคลนฝากน้ำ พระเจ้าเป็นผู้บอกทางอันประเสริฐทางหันแสงสว่างทางแห่งความอิสระจากสิ่งทั้งปวงเมื่อน้อรมรำลึกถึงพระองค์แล้วก็น้อมนำคำสอนเข้ามาคำสอนที่เราจะนำมาที่พระผูทใ้ เ, เจ้าจงทรงบอกไว้ สำหรับที่จะให้ทุกจิตมันเป็นอิสระจากสิ่งทั้งปวงโดยอยู่กับสิ่งที่ถูกเรียกว่าทุกข์แต่มันไม่ทุกข์มันเป็นอิสระได้ถึงขนาดนั้นว่ามันมีอยู่โดยการใช้บทภาวนาที่ชื่ออาณาปานสติคือการระลึกลมหายใจลมหายใจออกลมหายใจเข้า ลมหายใจของเราที่มันหายใจเข้าออกทางจมูกนั้นมันมีธรรมชาติที่มีความเป็นจริงปรากฏอยู่เฉพาะหน้าอย่างไรก็อย่างนั้นเราควารู้โดยไม่ต้องวิ่งตามอันปราศจากความสงสัยใ้ท่านกล่าวว่า อธิเตจิตกันเนชีวิตะนัชีวตินัชีวิสติเรียว่าจิตที่มันเกิดขึ้นผ่านไปแล้วมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงชีวิตที่เป็นอยู่แล้วชีวิตะมันเป็นอยู่แล้วจบไปแล้ว นชีวติตมันไม่ใช่กำลังเป็นอยู่นชีวิตสติมันไม่ใช่ที่จับเป็นอยู่ต่อไปเห็นไหมเหมือนกับลมหายใจลมหายใจที่มันไหลผ่านออกไปแล้วมันก็คือผ่านไปแล้วมันเป็นไปแล้วจิตก็เหมือนกันมันที่รู้ลมหายใจนั้น จิตที่รู้ลมหายใจดวงที่มันเป็นอนดีตคือมันเกิดแล้วผ่านไปแล้วมันก็ดับไปแล้วท่านว่าอติเตจิตตคเนปัจจุปันเดจิตตคเนปัจจุปันเดจิตตคเนเนะชีวิทะชีวติณชีวิตสติหมายความว่า ส่วนจิตดวงที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าจิตดวงที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าคือในขณะมันไม่ใช่จิตที่เป็นไปแล้วแต่มันกำลังเป็นอยู่มันไม่ใช่จิตที่กำลังจะเป็นอยู่นะแต่มันกำลังเป็นอยู่มันเป็นปัจจุบันแท้ มันไม่ใช่ดวงที่ดับไปแล้วมันไม่ใช่ดวงที่กำลังจะเป็นแต่มันกำลังเป็นอยู่เนี่ยปัจจุปันเดจิตตะคันเดณชีวิทาชีวติณชีวิตสติว่าจิตที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เฉพาะหน้ามันไม่ใช่จิตที่ดับไปแล้วมันเป็นมันกำลังเป็นอยู่มันไม่ใช่ที่กำลังจะเป็นต่อไป เรียกว่ามันไม่เยื่อใยอดีตไม่หน่วงอน า, าคตมันแน่วแน่อยู่กับจิตดวงที่มันเป็นปัจจุบันปัจจุบันเดจิตตะคันเนในขณะแห่งจิตที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าณชีวิทะมันไม่ใช่จิตที่ดับไปแล้วชีวติตมันกําลังเป็นอยู่ณชีวิตติมันไม่ใช่จักเป็นต่อไป ต้องแนวแน่ให้มันขาดเยื่อขาดใยอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันจะต้องตรงต่อสิ่งที่เป็นธรรมชาติของกายของใจเท่านั้นไม่ต้องไปให้มันมีเรื่องราวมากสมมติว่ามันชื่อนางสาวแดงมันไม่มีนางสาวแดงเด็กนางสาวแดงผู้ใหญ่นางสาวแดงไอเด็กหญิงแดง เด็กเล็กเด็กยิ่งแดงเด็กใหญ่นางสาวแดงวัยรุ่นมันไม่มีแดงก็ไม่มีมันเป็นเป็นธรรมชาติที่เป็นกายเป็นใจถ้าตั ด, ตดมาได้อย่างนี้มันง่ายต่อการที่จะเข้าสู่สิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้ารู้ในความเป็นจริงอันเป็นไปในขณะมาเป็นประวัติการท่านท่นานึ่งกล่าวให้แยกชัดว่าอาตีเตจิตตะคันเดชีวิทะ นชีวตินชีวิตสติว่าจิตที่เป็นไปในอดีตมันเป็นไปแล้วไม่ใช่เป็นอยู่ไม่ใช่กำลังจะเป็นอาณาคเตจิตตะคเดนชีวิทานาชีวติชีวิตสติส่วนจิตในอนาคตคือจิตที่มันยังไม่ได้เป็น จิตในอนาคตนั้นะมันเป็นจิตที่ไม่ใช่จิตที่ดับไปแล้วไม่ใช่จิตที่กำลังเป็นอยู่แต่มันคือจิตที่กำลังจัเป็นต่อไปมันท่านจริงๆท่านเดี๋ยวแยกให้เราชัดแล้วนะแต่ว่าเราดื้อเองเราไม่ยอมเชื่อท่านแยกชัดหมดอตีเตจิตคันเนยนาชีวิตธาณาชีวติชีวิตสติ จิตที่เป็นไปในอนาคตมันไม่ใช่จิตที่ดับไปแล้วมันไม่ใช่จิตที่เป็นอยู่แต่มันเป็นจิตที่จะเป็นต่อไปอชัดกันอย่างนั้นปัจจุบันเดนะจิตตะคันเนจิตที่เป็นไปในปัจจุบันจิตที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเนี่ยมันเป็นชีนชีวิตถรมันไม่ใช่จิตที่ดับไปแล้วชีวติมันเป็นจิตที่เป็นอยู่กําลังเป็นอยู่ นัชชีวิตสติมันไม่ใช่จิตที่จะเป็นต่อไปเราจึงไม่ควรเอาอาดีตมาเป็นปัจจุบันไม่ควรเอาปัจจุบันไปน่วงอยู่ในอนาคตไม่ควรเอาอนาคตมาตั้งอยู่ในปัจจุบันคือมันไม่ควรเอาให้มันมาพัวพันกันแกงใาชัดอย่างนั้นวิธีการที่จะทำให้มันดียาได้อย่างนั้นมันคือต้องเข้าสู่ความเป็นธรรมชาติจริง ธรรมชาติของกายธรรมชาติของใจเอาที่บรรยายไปเมื่อตอนชั่วโมงแรกมาเป็นความรู้สำหรับเข้าสู่ความเป็นธรรมชาติพอมาถึงความเป็นธรรมชาตินะตอนนี้มันก็มันเป็นเพียงแค่กายแค่ใจแค่รูปแค่นามที่ที่ตั้งอยู่มันง่าย กับสิ่งที่เราจะทำก็คือการรู้ลมหายใจลมหายใจที่มันเข้าออกทางจมูกรู้ตามความเป็นจริงที่รู้ได้ส่วนที่รู้ไม่ได้จะต้องคาดคะเดอย่าไปคาดคะเดเอาที่รู้ได้เอาที่รู้ได้ก็หมายความว่าที่มันรู้สึกได้รองหายใจเข้าออกสุดๆแล้วปล่อยลมหายใจไหลออกมาเรารู้สึกกับลมหายใจนั้นได้ดีตรงไหนเอาตรงนั้น แล้วก็พวารู้ตรงนั้นอ่ะมันรู้ชัดบ้างรู้เบาบ้างรู้แคบบ้างรู้กว้างบ้างแต่รู้ตรงนั้นมันรู้ได้เรียกว่ารู้ได้มันอาจจะชัดบ้างบางคนบอกว่าไม่ชัดแต่มันรู้ได้ไหมรู้ได้ก็เอารู้ได้บางคนบอกมันเบามากแต่มันได้ไหมได้เอาเอารู้ได้เอาที่รู้ได้ มันอาจจะชัดบ้างอาจจะเบาบ้างอาจจะกว้างไปอาจจะแคบไปแต่ที่รู้ได้ถ้ารู้ไม่ได้เนี่ยมันจะชัดมันจะกว้างมันจะเบามันจะแคบมันยังใช้ไม่ได้เรียกว่ายังไม่รู้เอาที่รู้ได้เป็นอย่างไรก็เอาที่รู้ได้ไว้ก่อนทีนี้ออ่จิตที่มันไหลออกไปนอกมันนั่งประมวลมันนั่งนึกมันนั่งตีความอีกมันออกไปแล้วมันหายไปไหน ไอ้อย่างนั้นเรียกว่ามันต้องใช้การคาดคณีมันรู้ไม่ได้พอเราหายใจเข้าไปปั๊บจิตที่เข้าไปข้างในมันไปถึงไหนมันก็ต้องใช้การคาดคณีเพราะมันรู้ไม่ได้ลมที่กำลังออกมาน่ะมันยังไม่ถึงจุดที่เรารู้ได้แต่เรารู้สึกว่ามันกาลังไหลออกมานั่นนะมันมาจากตรงไหนมันต้องคาดคณีถ้ามันต้องคาดคณีอย่างนี้เรียกว่ามันยังรู้ไม่ได้ มันเป็นสิ่งซึ่งเรียกว่าเฉพาะหน้าไม่ได้เพราะฉะนั้นเอาจุดที่เรารู้ได้จะกว้างจะแคบจะเบาจะหนักจะอะไรก็ช่างเถอะแต่ข้อที่มันรู้ได้แล้วก็อย่าให้มันออกไปจากจุดที่มันรู้ได้แคเคนั้นนะเพราะมันรู้ได้แล้วก็แน่วแน่ต่อจุดที่เรารู้ได้ว่าตรงนี้ลมหายใจของเรากำลังไหลออกไป กำลังไหลเข้ากำลังไหลออกกำลังไหลเข้าก้าอยู่ตรงนั้นและขนาด จ, จิตที่รู้ลมหายใจที่ไหลออกลมหายใจที่ไหลเข้านี่มันสำคัญก้าวแนร่รู้อยู่ตรงนั้นก็จากนั้นก็บริหารลมหายใจของเรา ลองดูว่าไอ้จิตที่รู้ที่เป็นประชานาติคือยกจิตที่รู้มากำหนดอยู่ที่ลมหายใจเอารู้ที่มีอยู่ตามธรรมชาตินั่นแหละมากำหนดให้เขารู้อยู่ที่ลมหายใจลมหายใจออกก็รู้ ลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ เอาจุดรู้ที่เรารู้ได้ส่วนอาการต่างๆที่มันจะต้องหาคําตอบที่มันจะต้องหาเข้าถงใสที่มันยังเป็นความหวังการคเนการคเนงทั้งหลายแหละมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่สิ่งที่รู้ได้เอาสิ่งที่เรารู้ได้ รู้ลมหายใจให้ยาวทำลมหายใจยาวๆกลางๆเบาๆสบายๆลมหายใจออกยาวลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาว ทำลมหายใจให้ยาวกว่าปกติให้ยาวกว่าลมปกติมันเป็นการบังคับเพื่อให้ยาวกว่าปกติหน่อยหนึ่ง ใ, ใจเข้ายาวจิตรู้ทั้งยาวและมันก็มีความพยายามของกายอย่างธรรมชาติที่จะหายใจออก เราก็เห็นกายที่เขามีความปรารถนาในการที่จะปล่อยลมหายใจให้ไหลออกนั่นเป็นความปรารถนาของกายเป็นการํานานของกายถ้าเราหายใจเข้ายาวค้างไว้หน่อยหนึ่งมันจะเห็นความพยายามของกายอย่างธรรมชาติที่เขาจะหายใจออกของเขาเอง ที่มันออกมาไม่ได้เพราะบังคับไว้พราปลดปลอยให้เขาออกมาเขาก็ทางานอย่างธรรมชาติที่ไหลออกมานั่นเรียกว่าการทางานอย่างธรรมชาติของกายและการที่จะราไปรู้ไปรู้ลมที่มันไหลออกอย่างธรรมชาติอย่างนั้นแหละเรียกว่าการรู้อย่างธรรมชาติ พอลมหายใจออกสุดเรารู้ลมที่มันหยุดแล่พอลมหายใจเข้าจะมาถตาเราบังคับไว้บังคับนั่นคือเราเป็นผู้บังคับมันมีธรรมชาติของมันอยู่คือการบังคับเราก็จะเห็นกายที่มันมีความพยายาม ในการที่จะทำงานด้วยการหายใจเข้าพอเราปลดปล่อยลมหายใจมันก็ไหลเข้าอย่างธรรมชาติแล้วเราก็ประคองให้ยาว ก็ลมหายใจยาวเข้ายาวสุดมันจะมีภาวะลมหยุดเราทําความที่ลมหยุดนั้นนะมันนานออกไปพอมันนานไปมากมันก็จะไปฝืนธรรมชาติของการหายใจก็เจอว่าลมหายใจออกมันพยายามที่จะทํางานของมันอย่างเป็นธรรมชาติที่จะไหลออกมาเพราะฉะนั้นเราก็ปล่อยให้ลมหายใจของเราพขทําทงานอย่างธรรมชาติเลยออกมา แล้วเราก็รู้ลมที่ไหลออกมาอย่างทำเป็นธรรมชาตินั้นตั้งแต่ต้นลมกลางลมปลายลมจนสุดลมหายใจนี่ภาวะที่รู้กับลมหายใจที่มันเป็นธรรมชาติพอได้อย่างนั้นแล้วเราก็ปล่อยให้ลมหายใจเข้าออกเป็นปกติ ลมหายใจออกเป็นปกติเราก็รู้เป็นปกติหมายความว่าไม่มีเราเข้าไปบังคับไม่มีเราเข้าไปบงังกักบังคับกัเกณฑ์ให้ลมหายใจมันยาวหรือมันสั้นลอยไปเป็นธรรมชาติที่เขาสบายยะก็คือเขาสบายสบายแล้วก็รู้ในสิ่งที่เป็นรู้สึกที่เรารู้ได้ รู้ในในสิ่งที่เรารู้ได้าำความเป็นจริงจิตไม่ประวิงต่อลมที่มันผ่านไปแล้วจิตไม่พะวงต่อลมที่ยังไม่ออกมาไม่ประวิงต่อลมที่มันผ่านไปแล้วไม่ประวิงไม่พะวงต่อลมที่ยังไม่เกิด รู้อยู่กับลมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่รู้ทึกได้ที่รู้ได้ไดตามธรรมดาตามธรรมชาติสบายสบายหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ทำอย่างนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ต่อไปก็น้อมรู้เพื่อรู้สึกได้กับลมหายใจในลักษณะทีศทออ่ศึกษาหรือเรียนรู้ลมหายใจที่ไหลออกศึกษาหรือเรียนรู้ลมหายใจที่ไหลออกตั้งแต่ต้นลมกลางลมปลายลมจนสุดลมหายใจว่าลมหายใจไหลออกนั้นเป็นอย่างไรรู้ตามความเป็นจริงที่เป็นอย่างนั้น ว่าเนื้อลมเป็นอย่างไรก็ค่ครู้ที่รู้สึกได้น้อมเข้าไปในลักษณะของการเรียนรู้ศึกษาต้นลมหายใจให้มันรู้ตรงไปต่อลมหายใจที่รู้สึกได้ มลมหายใจไหลออกสุดเราเข้าไปเรียนรู้ศึกษาลมหายใจไหลออกเรียนรู้ศึกษาลมหายใจไหลเข้าจนรู้มันราบเรียบกับลมคือมันเรียนรู้ลมจนสนิทมันก็จะเจอภาวะที่ลมมันหยุดถ้าเจอภาวะลมหยุดต่อไปให้เรา ไปเรียนรู้ลมหยุดแล้วก็แค่รู้ลมหายใจความรู้ศึกษาเรียนรู้ลมที่หยุดแต่เมื่อร่างกายหายใจก็ไปรู้ลมหายใจอย่างเป็นธรรมชาติตรงนี้ต้องทำความเข้าใจให้ดีมันจะได้แยกชัดเจนเราไปเรียนรู้ศึกษาลมหยุด แล้วก็หายใจออกหายใจเข้าอย่างเป็นธรรมชาติลมหายใจจะเป็นตัวประคองจิตที่รู้ของเราจิตรู้จะไปศึกษาเรียนรู้ลมหยุดภาวะที่มันนิ่งอันเป็นอุเบกขาแล้วเกาะลมหายใจที่ไหลออกเกาะลมหายใจที่ไหลเข้า ไม่เน้นไม่ไปโฟกัสลมหายใจแค่รู้แค่รู้ได้ยามลมหายใจออกแค่รู้ได้ยามลมหายใจเข้าแต่รู้จะไปเรียนรู้ไปศึกษาอยู่ในภาวะที่ลมมันหยุดจะพบกับความ นิ่งนิ่งคือว่าไม่มีลมเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกจนมารู้รู้สึกรู้จักเจอลมหยุดแล้วมีความนิ่งปรากฏเมื่อลมหายใจเข้ามันก็รู้ลมหายใจเข้าแต่ความนิ่งยังอยู่รู้ลมหายใจออกแต่ความนิ่งยังอยู่จิตจึงไปศึกษาอยู่ที่ความนิ่งความหยุดของลมหายใจ จิตรู้อยู่ที่ความนิ่งเมื่อลมหายใจมาความนิ่งยังอยู่แต่จิตก็แค่รู้ลมหายใจด้วยลมหายใจออกลมหายใจเข้าเขาจะมาถีมาเร็วมาช้าก็ช่างเราก็แค่รู้ น, น, นานๆก็มาทีก็หยุด น, น, นานๆก็เราก็ไม่เป็นไร แต่เมื่อเข้ามาเราก็แค่รู้แต่จิตรู้จะโฟกัสศึกษาเรียนรู้อยู่ที่ลมหยุดความไม่มีลมหายใจเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกความนิ่งที่ปรากฏเมื่อจิตรู้ความนิ่งศึกษาความนิ่งมันอาจจะเกิดสับปายะขึ้นมาว่าความนิ่งที่เรารู้สึกว่านิ่งไม่มีลมเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกนั้นมันนิ่งตรงไหน เราไม่ต้องไปบังคับเขาว่านิ่งตรงไหนแต่ที่เรารู้สึกได้ว่าเขานิ่งอยู่ตรงไหนเราก็รู้สึกเราก็รู้อยู่ตรงนั้นที่เรารู้สึกได้ว่าเขานิ่งอยู่ตรงไห น, นเราก็รู้สึกอยู่ตรงนั้นเมื่อลมหายใจเคลื่อนตามธรรมชาติเราก็แค่รู้ว่าลมหายใจเคลื่อน จิตศึกษาเรียนรู้อยู่กับความนิ่งของลมหายใจที่มันรู้สึกได้ตรงไหนก็รู้ตรงนั้นเมื่อก็รู้กับความนิ่งที่กายส่วนใดส่วนหนึ่งมีกายเคลื่อนไหวส่วนใดเช่นมีกล้ามเนื้อกระตุก ม, มีความเคลื่อนไหวของกายในส่วนไหน มีความปวดความเหน็บความคันความชาเกิดขึ้นณส่วนไหนจิตมันก็เข้าไปรู้ได้ด้วยรู้ความนิ่งอยู่แล้วก็สามารถที่จะรู้กายทั้งกายได้ด้วยคือส่วนไหนของกายที่มีการเคลื่อนไหวมันก็รู้รู้แล้วจบ รู้หลักอยู่ที่ความนิ่งเมื่อลมหายใจเคลื่อนก็รู้ ร, รู้และจบพอลมหายใจเคลื่อนก็รู้รู้และจบนั่นหมายความว่าเขาอยู่กับความนิ่งรู้อยู่กับความนิ่ง ร่างกายส่วนใดที่มันมีการเคลื่อนไหวที่สามารถรู้ได้เราก็รู้แต่ไม่แช่ไม่แช่อยู่ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งแค่รู้กล้ามเนื้อแขนเคลื่อนไหวเราก็รู้หรือได้ยินเสียงหัวใจมันเต้นเราก็รู้แต่ไม่แช่อยู่แค่รู้ จิตเฝ้ารู้อยู่ที่ความนิ่งเมื่อลมหายใจมาก็รู้ที่มันรู้สึกได้ที่มันรู้ได้นี่เป็นธรรมชาติรู้เป็นธรรมชาติของกายของใจที่ถูกรู้ จะเห็นธรรมชาติอันหนึ่งในขณะที่เรารู้อยู่กับความนิ่งจะเห็นธรรมชาติคือความพยายามที่จะไปรู้ความพยายามที่จะไปรู้ลมความพยายามที่จะไปรู้กายความพยายามที่จะไปรู้เวทนาต่างๆความพยายามที่จะไปรู้ ในขณะที่จิตรู้อยู่ความนิ่งมันมีความพยายามที่จะไปรู้เกิดขึ้นความพยายามนั้นจริงๆก็เกิดขึ้นตลอดแต่เราไม่เห็นเราไม่เคยรู้เพราะจิตรู้ไม่ละเอียดพอตอนนี้เขาสามารถรู้และเห็นได้ว่ามีความพยายามอยู่ความพยายามนั้นคือเจตนาเจตนาที่จะไปรู้ตรงนั้นเจตนาที่จะไปรู้ลมเจตนาที่จะไปรู้กายเจตนาที่จะไปรู้ความรู้สึกเจตนานี้แหละ ก็เป็นธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งของกิริยาอ่านกายที่เคลื่อนไหวทุกจุดจิตจะไปแค่รู้ที่รู้สึกได้ตัวที่จะไปพาไปนั้นคือตัวเจตนาถ้าเราสามารถเห็นตัวเจตนาที่จะให้จิตไปรู้ในที่ต่างๆได้เราก็รู้ตรงเจตนานั้นด้วย เห็นเจตนาที่จะไปรู้เห็นเจตนาที่จะไปรู้ลมเห็นเจตนาที่จะไปรู้กายเห็นเจตนาที่จะไปรู้เวทนาถ้าไม่เห็นก็อย่าพยายามไปให้เกิดเจตนะาแต่ในกรณีที่เห็นเจตนาเราก็รู้เจตนา สภาวะใดที่เกิดนักขนาดนี้ก็รู้ในสภาวะนั้นที่รู้สึกได้ที่รู้ได้แต่ว่าเมื่อลมหายใจเคลื่อนก็ไปรู้ลมออกเมื่อลมหายใจเคลื่อนก็ไปรู้ลมเข้าสภาวะใดที่เกิดขึ้นที่กายที่ใจที่มีการเคลื่อนไหวของกายของใจเราก็รู้แค่รู้ที่มันรู้สึกได้เท่านั้น มันสามารถที่จะรู้ได้ทั่วตัวทุกๆ ก, การเคลื่อนไหว ถ้ามันมีความง่วงจตจิตรู้ทาตามตามธรรมชาติความง่วงมันก็เป็นธรรมชาติของมันมันก็เป็นสิ่งที่สามารถที่จะรู้เพราะมันคือสภาวะอย่างหนึง่งเห็นความง่วงนั้นไว้ที่มันรู้สึกได้จิตรู้ที่มันรู้สึกได้ต่อความง่วงมันก็เห็นความง่วงเกิดขึ้น เมื่อลมหายใจมาก็รู้ลมหายใจถ้าลมหายใจหยุดอยู่ก็รู้อยู่กับความนิ่งมีอารักษณะของกายการเคลื่อนไหวของกายการเคลื่อนไหวของใจเป็นอย่างไรก็รู้ที่รู้สึกได้นักขณะนั้นถ้ามันอิ่มมันเย็นมันสัน้น ที่กายที่ใจมีความโลง่งความโปรง่งเบาสบายอันใดก็ตามมันก็แค่รู้ที่มันรู้สึกได้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราได้หรือไม่ใช่มันมาถึงมามันไม่ใช่เป็นสมบัติของเรา มันแค่ธรรมชาติอันหนึ่งที่ปรากฏเรารู้ที่มันรู้สึกได้ความนิ่งความอินความเย็มอิ่มระเรื่นเบาสบายโปรง่งทุกทุกสภาวะที่ปรากฏเราก็แค่รู้ที่มันรู้สึกได้มลมหายใจมาก็รู้ลมหายใจลมหายใจออกก็รู้ล ม, ออกกรลมหายใจออกไป แค่รู้ตามธรรมชาติของลมหายใจที่มันปรากฏตามความเป็นจริงในขณะในขณะที่มันรู้สึกได้อย่างนั้นความละเอียดของรู้ความว่องไวรวดเร็วของรู้ ความแนวแน่ของรู้ความคมของรู้ที่ก็ปรากฏจิตจะประจักษ์มาแบบไหนอย่างไรก็ตามมันข้อแค่เป็นธรรมชาติของเขาอย่างนั้นไม่ใช่เราอย่าเพลอเอาความเป็นเราเข้าไปวุ่นวายในสภาวะที่เกิดโดยเด็ดขาดถ้าเอาเราเข้าไปวุ่นวายในสภาวะที่เกิดโดยเด็ดขาดนั้นอัตตาตัวตนมันก็ปรากฏ จิตรู้ก็ไม่เป็นธรรมชาติสิ่งที่ถูกรู้ก็ไม่เป็นธรรมชาติโดนแต่เป็นไปตามอำนาจการบังคับบัญชาบงการของเรามันก็จะเป็นไปอีกแบบหนึ่ง mm hmm. เมื่อรู้สึกได้ตรงไหนที่ปรากฏก็รู้สึกได้ตรงนั้นแต่ไม่ได้เข้าแช่เพื่อจมอยู่กับรู้ที่บังคับให้มันมีสิ่งใดเกิดขึ้นมาเพื่อรู้ แต่มรู้แล้วจบแล้วก็ก็จบไปตามธรรมชาติไม่ไปบังคับไม่ไปกากเกณฑ์ใดๆเมื่อลมหายใจไหลออกก็รู้ลมหายใจไหลเข้าก็รู้อยู่อย่างนั้นจิตไม่ทะลันออกข้างนอกจิตไม่ถลําลึกลงไปข้างในมีลมหายใจเป็นเครื่องประคองศึกษาอยู่ที่ความนิ่ง และสภาวะทุกสภาวะที่ปรากฏมีการเคลื่อนไหวของกายของใจทุกๆอาการทุกๆ ก, กิริยาที่ปรากฏที่รู้สึกได้จิตก็แค่รู้เข้าไปอย่างนั้นตามธรรมชาติตามความเป็นจริง ต่อไปนี้ยกจิตไปที่มือข้างขวายกจิตไปที่มือข้างขวาเบาๆขยับปลายนิ้วมือขวาให้จิตรู้สึกเบาๆค่อยๆยกมือข้างขวาขึ้นและเคลื่อนไปด้วยจิตที่รู้สึกได้ ว, วางไวที่เขาข้างขวา ยกจิตกลับมาที่มือข้างซ้ายช้าๆไม่ต้องรีบขยับปลายนิ้วมือซ้ายให้จิตรู้สึกยกมือซ้ายขึ้นช้าๆและเคลื่อนมือซ้ายไปวางไว้ที่เข่าข้างซ้ายให้จิตรู้สึกยกจิตมาไว้ที่เฉพาะหน้ารู้สึกที่ใบหน้าของตนเอง แล้วก็ประหกหน้าขึ้มานิดหนึ่งลืมตาออกจากสมาธิก็ได้หนึ่งชั่วโมงที่นี่เราก็สังเกตสังเกตว่ารู้รู้ที่ก็อยู่อย่างเป็นธรรมชาติในตอนนี้มันยังมีอยู่สิ่งที่รู้อยู่มันก็อยู่กับกายกับใจที่มีความนิ่งมีอุเบกขาปรากฏอยู่ รู้เหล่านี้มันจะสามารถปรับสภาพรู้ของจิตให้มันคมให้มันเร็วให้มันทันกับกิริยาที่เราจะเคลื่อนไหวถ้าเราสามารถให้รู้นี้ต่อเนื่องต่อไปได้ในชีวิตจริงของเราไม่ว่าจะจับจะเหยียดจะคู่จะกรรมจะวาง รู้จะมีมีกำลังมีอำนาจในการที่จะเท่าทันกับการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันของเราได้ซึ่งอันนั้นเราไม่ต้องไปบังคับใช้เขาก็สามารถที่จะรู้ได้เองตามกำลังที่มี